ขันธวิภาคอีกในยะหนึ่งแจกขันโดยการเป็นต้นตามในยะพระสูตรก็แลขันทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงจำแนกให้พิสดารอย่างนี้ว่ารูปทุกอย่างทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือพระนีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรืออยู่ในที่ใกล้ก็ตามกลุ่มรูปนี้เรียกว่ารูปประขันเพราะรวบรวมรูปที่แจงมานั้นเข้าด้วยกันเวทนาทุกอย่างทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นต้นกลุ่มเวทนานี้เรียกว่าเวทนาขันเพราะรวบรวมเวทนาที่แจงมานั้นเข้าด้วยกัน สัญญาทุกอย่างทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นต้นกลุ่มสัญญานี้เรียกว่าสัญญาขันเพราะรวบรวมสัญญาที่แจ้งมานั้นเข้าด้วยกันสังขารทุกอย่างทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นต้นกลุ่มสังขานี้เรียกว่าสังขารขันเพราะรวบรวมสังขารที่แจ้งมานั้นเข้าด้วยกัน วิญญาณทุกอย่างทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามเป็นต้นกลุ่มวิญญาณนี้เรียกว่าวิญญาณนขันเพราะรวบรวมวิญญาณที่แจ้งมานั้นเข้าด้วยกันดังนี้อธิบายรูปวิภาคในบทพระบาลีเหล่านั้น บทว่ายังกินจิทุกอย่างเป็นคามีความหมายว่าถือเอาหมดไม่มีเหลือบทว่ารูปะหรือรูปรูปเป็นคำจำกัดสิ่งที่ประสงค์โดยเฉพาะด้วยบททั้งสองดังนี้ก็เป็นอันได้ทรงทำความกำหนดเอารูปอย่างไม่เหลือหลอต่อ น, นั้นจึงทรงเริ่มจําแนกรูปนั้นโดยการมีอดีตเป็นอาทิ จริงอยู่รูปนั้นบ้างก็เป็นอดีตบ้างก็แตกต่างเป็นอนาคตเป็นต้นแลในยะแม้ในขันที่เหลือมีเวทนาเป็นต้นก็ดุจในยะนี้รูปขันในขันทั้งหลายนั้นข้อแรกรูปจัดเป็นอดีตโดยส่วนสี่ ด้วยอำนาจแห่งอัตตาสัน ต, ติสมัยและขณะที่เป็นอนาคตและปัจจุบันก็อย่างนั้นโดยส่วนสี่นั้นว่าโดยอัตตาก่อนในภพหนึ่งรูปของบุคคลผู้หนึ่งในการกรแต่ปฏิสนธิจัดเป็นอดีตรูปในการต่อแต่จุติไปเป็นอนาคต รูปในระหว่างการทั้งสองนั้นจัดเป็นปัจจุบันว่าโดยสันตติรูปอันมีอุตตุที่เป็นสภาคอันหนึ่งเป็นสมุดฐานและมีอาหารที่เป็นสภาคอันหนึ่งเป็นสมุดฐานแม้เป็นไปด้วยอำนาจระยะการเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายก็ดีจัดเป็นปัจจุบัน รูปที่อุตุและอาหารเป็นวิสภาคเป็นสมุดฐานในการก่อนแต่นั้นจัดเป็นอดีตภายหลังแต่นั้นจัดเป็นอนาคตฝ่ายรูปที่เกิดแต่จิตมีวิถีจิตหนึ่งชาวนาจิตหนึ่งและสมาปฏิจิตหนึ่งเป็นสมุดฐานจัดเป็นปัจจุบันรูปในการก่อนแต่นั้นจัดเป็นอดีตรูปในการภายหลังนั้น เป็นอนาคตสำหรับรูปที่มีกรรมเป็นสมุดฐานหามีการแยกประเภทเป็นอดีตเป็นต้นด้วยอำนาจสันตติเป็นส่วนหนึ่งต่างหากไม่แต่ความเป็นอดีตเป็นต้นแห่งรูปที่มีกรรมเป็นสมุดฐานนั้นพึงทราบว่าเป็นโดยอุปทรรมภักับัจของรูปที่มีอุตุอาหารและจิตเป็นสมุดฐานเหล่านั้นแล ว่าโดยสมัยรูปสมัยนั้นๆอันเป็นไปโดยสืบต่อกันในสมัยทั้งหลายมีครู่หนึ่งตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางคืนและตอนกลางวันเป็นต้นจัดเป็นปัจจุบันรูปในสมัยก่อนแต่นั้นจัดเป็นอดีตรูปในสมัยหลังแต่นั้นจัดเป็นอนาคตว่าโดยขณะ รูปที่เนื่องอยู่ในขณะสามมีอุปาทขณะเป็นต้นจัดเป็นปัจจุบันรูปก่อนนั้นจัดเป็นอนาคตรูปหลังจากนั้นจัดเป็นอดีตอีกอย่างหนึ่งรูปที่มีเหตุกิจและปัจจัยกิจล่วงไปแล้วจัดเป็นอดีตรูปที่มีเหตุกิจเสร็จแล้วแต่ปัจจัยกิจยังไม่เสร็จจัดเป็นปัจจุบัน รูปที่กิดทั้งสองยังไม่ถึงเข้าจัดเป็นอนาคตหรือว่ารูปในขณะทมกิจของตนเป็นปัจจุบันรูปก่อนนั้นเป็นอนาคตรูปหลังนั้นเป็นอดีตก็แลในคาถาจำแนกรูปนี้คณะที่คถาว่าด้วยขณะอย่างเดียวไม่มีปริยายกาถาที่เหลือมีปริยาย ประเภทรูปภายในและรูปภายนอกมีนัยยะดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละแต่ว่าในสุดตันต์ใ น, นนี้พึงทราบว่ารูปที่มีอยู่ภายในตนของตนจัดเป็นภายในส่วนรูปที่เป็นภายในของบุคคลอื่นจัดเป็นภายนอกประเภทรูปหยาบและรูปละเอียดก็มีนัยยะดังกล่าวแล้วเหมือนกัน ประเภทรูปเลวและรูปประนีตเป็นสองคือโดยปริยายคือแยกเป็นชั้นๆโดยนิปริยายคือไม่แยกเป็นชั้นๆในสองอย่างนั้นความเป็นรูปเลวและรูปประณีตโดยปริยายพึงทราบโดยปริยายคือรูปของเทพเหล่าสุทธสีเลวกว่ารูปของเทพเหล่าอากานิฐา รูปของเทพเหล่าสุทธสีนั่นแหละปราณีกว่ารูปของเทพเหล่าสุทธสาดังนี้จนกระทั่งถึงรูปของพวกสัตว์นรกเล็วกว่ารูปของพวกมนุษย์ส่วนความเป็นรูปเรวและรูปประณีดโดยนิปริยายพึงทราบว่าอากุศลวิปากวิญญาณเกิดขึ้นในรูปใดรูปนั้นก็เป็นรูปเร็ว ผู้สนวิปากัวิญญาณเกิดขึ้นในรูปใดรูปนั้นก็เป็นรูปประนีตแม้ข้อว่ารูปไกลรูปใกลน้นี้ก็มีในยักกล่าวมาแล้วเหมือนกันแต่ว่าในข้อนี้พึงทราบความเป็นรูปไกลและรูปใกล้โดยอาศัยเทียบกันโดยโอกาสคือที่ตั้งอยู่ของรูปนั้นๆด้วย ในปาถะว่าตเทกัตชังอภิสัญยุหิตวาอภิสังคิปิตวาเพราะรวบรวมรูปที่แจงมานั้นเข้าด้วยกันนี้มีความดังนี้ว่าพวกรูปนี้เรียกว่ารูปประขันเพราะทำรูปที่ทรงแจงออกเป็นส่วนๆด้วยบททั้งหลายมีอดีตเป็นต้นนั้นทั้งสิ้นเข้าเป็นกองด้วยปัญญาในความเป็นอย่างเดียว ที่ได้แก่รูปปนะัณณาลักษณะคือลักษณะที่รู้ทําลายได้ด้วยปาถานี้เป็นอันแสดงว่ารูปทั้งสิ้นชื่อว่ารู ป, ปขันเพราะเข้าถึงความรวมเข้าเป็นกองได้ในรูปปนะัณลักษณะโดยขึ้นชื่อว่ารู ป, ปขันจะเป็นอื่นไปจากรูปหามีไม่ เวทนาวิภาคก็แหลรูปได้ชื่อว่ารูปขันเพราะเข้าถึงความรวมเข้าเป็นกองในรูปปะปนะลักษณะได้ฉันใดแม้เวทนาเป็นต้นก็ได้ชื่อว่าขันมีเวทนาขันเป็นอาทิเพราะเข้าถึงความรวมเข้าเป็นกองในลักษณะทั้งหลายมีเวทายตะลักษณะ คือลักษณะที่รู้สวยรสอารมณ์เป็นต้นได้ฉันนั้นด้วยว่าขึ้นชื่อว่าขันทั้งหลายมีเวทนาขันเป็นอาธิจะเป็นอื่นไปจากเวทนาเป็นต้นหามีไม่ส่วนในการจำแนกโดยการมีอดีตเป็นต้นในเวทนาขันนี้พึงทราบความเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันแห่งเวทนา ด้วยอำนาจสันตติและด้วยอำนาจขณะเป็นต้นในสันตติและขณะเป็นต้นนั้นว่าโดยสันตติเวทนาที่เนื่องอยู่ในวิถีจิตหนึ่งชวนาจิตหนึ่งและสมาปฏิจิตหนึ่งและเวทนาที่เป็นไปโดยประกอบอยู่กับอารมณ์อย่างเดียวเป็นปัจจุบันเวทนาในการก่อนแต่นั้นเป็นอดีตเวทนาในการภายหลังแต่นั้นเป็นอนาคต ว่าโดยขณะเป็นต้นเวทนาที่เนื่องอยู่ในขณะสามและเวทนาที่กําลังทํากิจของตนที่เป็นตอนต้นตอนปลายและตอนกลางเป็นปัจจุบันเวทนาในขณะก่อนนั้นเป็นอดีตเวทนาในขณะภายหลังนั้นเป็นอนาคตประเภทเวทนาภายในภายนอกพึงทราบโดยเป็นเวทนาภายในตนของตนและของบุคคลอื่น ประเภทเวทนาหยาบละเอียดพึงทราบด้วยอำนาจแห่งชาติสภาวะบุคคลโลกียะและโลกุตระที่กล่าวไว้ในคมภีวิพังโดยในยะว่าเวทนาที่เป็นอกุศลเป็นเวทนาที่หยาบเวทนาที่เป็นกุศลและอัพญากฤิเป็นเวทนาละเอียดดังนี้เป็นต้นก่อนอื่นว่าด้วยชาติ เวทนาที่เป็นอกุศลยากกว่าเวทนาที่เป็นกุศลเหตุมีความเป็นไปไม่สงบคือไม่เรียบราาเพราะเป็นเหตุแห่งการทํากรรมที่มีโทษและเพราะมีความเร่าร้อนด้วยกิเลสยากกว่าเวทนาที่เป็นวิบากอัพยากริตเพราะเป็นไปกับความพยายามที่จะให้มีวิบากเพราะเป็นไปกับความอุตสาหะ คือความสามารถในอันธทมวิบากให้เกิดเพราะเป็นไปกับวิบากคือมีวิบากเพราะมีความเร่าร้อนด้วยกิเลสเพราะเป็นไปกับความลำบากและเพราะเป็นไปกับโทษอยากววาเวทนาที่เป็นกิริยาอภยกฤตเพราะเป็นไปกับวิบากเพราะมีความเร่าร้อนด้วยอำนาจกิเลสเพราะเป็นไปกับความลำบากและเพราะเป็นไปกับโทษ ส่วนเวทนาที่เป็นกุศลและเวทนาที่เป็นอพยกฤิละเอียดกว่าเวทนาที่เป็นอกุศลโดยปริยายต่างจากปาริยายที่กล่าวแล้วตรงกันข้ามเวทนาที่เป็นกุศลและอกุศลทั้งสองอยากกว่าเวทนาที่เป็นอพยากฤตทั้งสองฝ่ายเพราะเป็นไปกับความพยายามเพราะเป็นไปกับความอุตสาหะและเพราะเป็นไปกับวิบากตามที่ควรกัน เวทนาที่เป็นอัพยกริทั้งสองฝ่ายเล่าก็ละเอียดกว่าเวทนาที่เป็นกุศลและเวทนาที่เป็นอกุศลทั้งสองนั้นโดยป ร, ริยายต่างจากป ร, ริยายที่กล่าวแล้วตรงกันข้ามความเป็นเวทนาหยาบละเอียดด้วยอำนาจแห่งชาติคือการเกิดพึงทราบโดยนยะดังกล่าวมาชนี้เป็นอันดับแรก ส่วนว่าโดยสภาวะทุกขเวทนายากกว่าเวทนาสองอย่างนี้เพราะไม่มีอัศทาะาคือไม่มีรสอร่อยเพราะเป็นไปกับความเผยตัวเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความหวาดกลัวเพราะทำความไหวตัวและเพราะขมเอาฝ่ายเวทนาสองนอกนี้ก็ละเอียดกว่าทุกขเวทนาเพราะเป็นที่ยินดีเพราะละเอียด เพราะปราณีตเพราะน่าชอบใจและเพราะเป็นกลางๆงตามที่ควรกันส่วนสุขเวทนาและทุกขเวทนาทั้งสองอย่างหยาบกว่าอทุกขมสุขเวทนาเพราะเป็นไปกับความเผยตัวเพราะทําความไหวตัวและเพราะความปรากฏอทุกขมสุขเวทนานั้นละเอียดกว่าสุขเวทนาและทุกขเวทนาทั้งสองนั้น โดยปริยายต่างจากปริยายที่กล่าวแล้วตรงกันข้ามความเป็นเวทนาหยาบละเอียดด้วยอำนาจแห่งสภาวะพึงทราบโดยนัยดังกล่าวมาชะนี้ส่วนว่าโดยบุคคลเวทนาของบุคคลผู้มิได้เข้าสมาบัตหยากกว่าเวทนาของท่านผู้เข้าสมาบัต เพราะเวทนาของผู้มิได้เข้าสมาบัตินั้นซัดสายไปในอารมณ์ต่างๆเวทนานอกนี้คือเวทนาของท่านผู้เข้าสมาบัติก็ละเอียดกว่าเวทนาอีกฝ่ายโดยป ร, ริยายตรงกันข้ามความเป็นเวทนาหยาบละเอียดด้วยอำนาจแห่งบุคคลพึงทราบโดยในยะดังกล่าวมานี้ ส่วนว่าโดยโลกิยะและโลกุตระเวทนาที่เป็นไปกับอาสวะเป็นโลกิยะเวทนาเวทนาที่เป็นไปกับอาสวะนั้นหยาบกว่าเวทนาอันหาอาสวะมิได้เพราะเป็นเหตุเกิดอาสวะเพราะเกื้อกูลแกโอคะเพราะเกื้อกูลแกโยคะเพราะเกื้อกูลแกคันธาเพราะเกื้อกูลแกนิวรณ เพราะเกื้อกูลแกอุปาทานเพราะเกี่ยวเนื่องด้วยสังกิเลตและเพราะมีทั่วไปแกปุถุชนเวทนาอันหาอาสวะไม่ได้นั้นละเอียดกว่าเวทนาที่เป็นไปกับอาสวะโดยป ร, ริยายตรงกันข้ามความเป็นเวทนาหยาบละเอียดด้วยอำนาจแห่งโลกิยะและโลกุตระพึงทราบโดยนัยยะดังกล่าวมานี้ หยาบละเอียดเป็นส่วนๆอย่าให้ปนกันความปนคละกันด้วยอำนาจแห่งชาติเป็นต้นในความหยาบละเอียดตามที่กล่าวมานั้นบัณฑิตพึงกันเสียอย่าให้ปนกันวุ่นเพราะว่าเวทนาที่สัมปยุต ด, ด้วยกายวิญญาณอันเป็นอกุศลวิบากแม้จัดเป็นเวทนาละเอียดเพราะเป็นอภยกฤตโดยชาติแต่ก็เป็นเวทนาหยาบ โดยส่วนอื่นมีสภาวะเป็นต้นสมพระบาลีว่าอัพยากฤตเวทนาเป็นเวทนาละเอียดทุกขเวทนาเป็นเวทนาหยาบเวทนาของผู้เข้าสมาบัติเป็นเวทนาละเอียดเวทนาของผู้มิได้เข้าสมาบัติเป็นเวทนาหยาบเวทนาที่เป็นไปกับอาสวะเป็นเวทนาหยาบ เวทนาอันหาอาสวะมิได้เป็นเวทนาละเอียดดังนี้และทุกขเวทนาเป็นฉั้นใดแม้สุขเวทนาเป็นต้นก็เป็นเวทนาหยาบโดยชาติแต่ละเอียดโดยสภาวะเป็นอาธิฉันนั้นเพราะเหตุนั้นความปนคละกันด้วยอํานาจแห่งชาติเป็นต้นจะไม่มีด้วยประการใดความหยาบละเอียดแห่งเวทนาทั้งหลาย บัณฑิตก็พึงทราบด้วยประการนั้นเถิดคือเช่นว่าอภพยญากฤตเวทนาเป็นเวทนาละเอียดกว่ากุศลเวทนาและอกุศลเวทนาโดยชาติก็ไม่ต้องไปแตะต้องถึงความต่างโดยส่วนอื่นมีสภาวะเป็นต้นดังนี้ว่าในเวทนาเหล่านั้นอัพญากฤตเวทนาเป็นไนเป็นทุกข์หรือเป็นสุขหรือเป็นของท่านผู้เข้าสมาบัติ เป็นของผู้ไม่ได้เข้าสมาบัติเป็นศาสวะหรือเป็นอนาสวะนัยยะในเวทนาทั้งปวงก็นัยยะนี้นัยยะหนึ่งหยาบละเอียดโดยเทียบกันอีกนัยยะหนึ่งโดยพระบาลีว่าก็หรือเวทนาหยาบละเอียด พึงเห็นโดยเทียบเคียงเวทนานั้นๆดังนี้พึงทราบว่าในเวทนาอื่นมีอากุศ ล, ละเวทนาเป็นต้นเวทนาที่เป็นโทสะสหะรคตหยาบกว่าเวทนาที่เป็นโลภะสหะรคตเพราะโทสะเผาที่อาศัยของตนเหมือนไฟเวทนาที่เป็นโลภะสหะรคตก็เป็นละเอียดไปโทสะสหะรคตเวทนาเล่า ท ok ี่เป็นนิยตะเป็นหยาบที่เป็นอนิยตะก็เป็นละเอียดไปนิยตะเล่าที่เป็นกับปัติติกะเป็นหยาบนอกนี้เป็นละเอียดไปแม้ในพวกที่เป็นกับปัติติกะที่เป็นอสังคาริกเป็นหยาบนอกนี้คือที่เป็นสัสังคาริกก็เป็นละเอียดไป ฝายเวทนาโลภะสหระรคตรที่เป็นทิฏฐิสัมปยุตเป็นหยาบนอกนี้คือทิฏฐิวิปยุตเป็นละเอียดแม้ทิฏฐิสัมปยุตนั้นเล่าที่เป็นนิยตะเป็นกับปฏติติกะเป็นอสังขาริกก็เป็นหยาบนอกนี้ก็เป็นละเอียดไปแต่เมื่อว่าโดยไม่แปลกกันคือไม่แยกเป็นโทสะสหระรคตร โลภะสหระคตอกุศกละศละเวทนาที่มีวิบากมากเป็นหยาบที่มีวิบากน้อยเป็นละเอียดส่วนกุศลละเวทนาที่มีวิบากน้อยเป็นของหยาบที่มีวิบากมากเป็นของละเอียดอันหนึง่งกามาวจรากุศลเวทนาเป็นหยาบรูปาวจรักุศลเวทนาเป็นละเอียด อรูปาวจราคุศลเวทนาละเอียดกว่ารูปาวจราคุศลเวทนานั้นโลกุตระเวทนาละเอียดกว่าอรูปาวจราคุศลเวทนานั้นกามาวจระเวทนาเล่าที่เป็นธานะัยจัดเป็นหยาบที่เป็นศีละไมเป็นละเอียดที่เป็นภาวนาไมละเอียดกว่าที่เป็นศีละไม แม้ภาวนาใหม่เล่าที่เป็นทุเหตุกะเป็นหยาบที่เป็นติเหตุกะเป็นละเอียดติเหตุกะเล่าที่เป็นสัสังขาริกเป็นหยาบที่เป็นอสังขาริกเป็นละเอียดส่วนรูปาวจระเวทนาที่เป็นไปในปฐมฌานเป็นหยาบที่เป็นไปในทุติยฌานเป็นละเอียด ที่เป็นไปในตติยชฌานละเอียดกว่าที่เป็นไปในทุติยะฌานที่เป็นไปในจตุทัฏฌานละเอียดกว่าที่เป็นไปในตติชตชยตตชฌานที่เป็นไปในปัจจมัฌานละเอียดกว่าที่เป็นไปในจตุทัฏฌานแท้ข้างอรูปาวจรเวทนาที่สัมปยุทธ์ด้วยอากาสารานจายตะนะเป็นหยาบ ที่สัมปยุทธ์ด้วยวิญญาณัญจายตนะเป็นละเอียดที่สัมปยุทธ์ด้วยอากินจัญญายตนะละเอียดกว่าที่สัมปยุทธ์ด้วยวิญญาณัญจายตนะที่สัมปยุทธ์ด้วยเนวสัญญานาสัญญาญตนะละเอียดกว่าที่สัมปยุทธ์ด้วยอากินจัญญายตนะฝ่ายโลกุตระเวทนาที่สัมปยุทธ์ด้วยโสดาปฏิมักเป็นหยาบ และละเอียดขึ้นเป็นลำดับจนถึงที่สัมปยุต ด, ด้วยอรหัตมรักละเอียดกว่าที่สัมปยุต ด, ด้วยอนาคามีมรักษ์แท้ในยะในเวทนาที่เป็นวิบากและที่เป็นกิริยาในภูมินั้นๆและในเวทนาที่กล่าวด้วยอำนาจสภาวะมีทุกขเวทนาเป็นต้นด้วยอำนาจบุคคลมีอสมาปัณะเวทนาคือเวทนาของผู้มิได้เข้าสมาบัตเป็นต้น และด้วยอำนาจโลกิยะและโลกุตระมีสาสวเวทนาคือเวทนาที่เป็นไปกับอาสวะเป็นต้นก็ในยะเดียวกันเมื่อว่าโดยโอกาสทุกขเวทนาในนรกเป็นหยาบทุกขเวทนาในกำเนิดดิรชานเป็นละเอียดทุกขเวทนาในกำเนิดมนุษย์ ละเอียดกว่าทุกขเวทนาในกําเนิดดิรชนทุกขเวทนาในเหล่าเทพชั้นจตุมหาราชิกาละเอียดกว่าทุกขเวทนาในกําเนิดมนุษย์ทุกขเวทนาในเหล่าเทพชั้นดาวดึงละเอียดกว่าทุกขเวทนาในเหล่าเทพชั้นยามาทุกขเวทนาในเหล่าเทพชั้นยามาละเอ <actions>. ียดกว่า <generally> ทุกขเวทนาในเหล่าเทพชั้นดาวดึง ทุกขเวทนาในเหล่าเทพชั้น <Jub> ด <ilee> ุส <use in women use> ิตละเอียดกว่าทุกขเวทนาในเหล่าเทพชั้นยามาทุกขเวทนาในเหล่าเทพชั้นนิมาณรดีละเอียดกว่าทุกขเวทนาในเหล่าเทพชั้นดุสิตทุกขเวทนาในเหล่าเทพชั้นปารณิมิตะสวัตีละเอียดกว่าทุกขเวทนาในเหล่าเทพชั้นนิมานรดีแท้ก็แลทุกขเวทนาประกอบความฉันใด แม้สุขเวทนาก็พึงประกอบความตามควรในภูมิทั้งปวงชั้นนั้นเถิดอันหนึ่งว่าโดยวัตถุเวทนาทุกอย่างที่มีวัตถุเลวเป็นเวทนาหยาบที่มีวัตถุประณีตเป็นเวทนาละเอียดในประเภทเลวประณีตพึงเห็นเถิดว่าเวทนาใดหยาบ เวทนานั้นก็เลวและเวทนาใดละเอียดเวทนานั้นก็ประนีตส่วนทูเรบทคือบทว่าไกลท่านจำแนกไว้ในคำภีวิพังโดยในยะว่าเวทนาที่เป็นอกุศลไกลแต่เวทนาที่เป็นกุศลและอัพญากฤตดัางนี้เป็นต้นสันติเกะบท คือบทว่าใกล้ท่านก็จำแนกไว้ในคาภีวิพังโดยในยะว่าเวทนาที่เป็นอกุศลใกล้กับเวทนาที่เป็นอกุศลด้วยกันดังนี้เป็นต้นเพราะเหตุนั้นอกุศลลเวทนาจึงชื่อว่าใกล้แต่กุศลละเวทนาและอัพญากฤาิเวทนาเพราะเป็นวิสภาคกันเพราะไม่เกี่ยวกันและเพราะไม่สมกัน กุศลเวทนาและอภิยากฤตเวทนาใกล้แต่อกุศลเวทนาก็อย่างนั้นก็เพราะเหตุอย่างเดียวกันในวาระทั้งปวงก็ในยะนี้ส่วนอกุศลลเวทนาใกล้กับอกุศลเวทนาด้วยกันก็เพราะเป็นสภาพกันและเพราะสมกันด้วยแลนี้เป็นคามุกอย่างพิสดาร ในการจำแนกเวทนาขันโดยส่วนต่างๆที่เป็นอดีตเป็นต้นแม้กระทามุกอย่างพิสดารในการจำแนกสัญญาเป็นต้นที่สัมปะยุทธ์กับเวทนานั้นๆก็พึงทราบโดยในยะดังนี้แล